ก็ขยายก็ว่าสภาอย่างเดียวนะที่ว่าสัพพังโวพิกเวเทศิษสามิตังสุนาทะเนี่ยนะดูความพิสูจทั้งหลายเราจะแสดงสิ่งทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟัง น, นะสิ่งทั้งปวงอันนั้นก็คืออันนี้หมายขอบเขตเฉพาะแค่อายตนะสภาหมายถึงตากับสีหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรดกายกับโภตาภาใจกับธรรมรมณ์อันนี้เรียกว่าสิ่งทั้งปวงอ่า ตอนท้ายก็จะกล่าวถึงที่ปฏิเสธว่าถ้าผู้ใดผู้หนึ่งบอกปฏิเสธเนี่ยนะคือว่าปัจจคหายะแปลว่าปฏิเสธนะปัจจคหายะเนี้นะเป็นบทที่พระเขาใช้ศึกก็จะบทเนี้ยสิครั้งปัจจคามิเนี่ยพวกใช้บทประเภทนี้แหละบทว่าวาจาวัตถุ เฮวะสะเนี่ยนะได้แก่พึงเป็นวัตถุที่พึงจะกล่าวด้วยวาจาเท่านั้นคือพูดได้อย่างเดียวนะบอกถ้าจะแค่ปฏิเสธก็ปฏิเสธได้แต่ศักด์แต่ว่าพูดแต่ว่าเอามาแสดงอะไรไม่ได้หรอกพ้นอายตนะสิบนี้ก็ไม่อาจจะแสะดงได้ว่าธรรมะอื่นเนี่ยชื่อว่าสภาวะธรรมเพราะสภาวะธรรมมันก็ไม่มีอะไรเกินอายตนะิบสองอยู่แล้ว บทว่ายะถาเป็นคําบ่งเหตุอธิบายว่าเพราะเหตุที่ถูกถามในสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยคือถ้าไปถามว่าเอถ้าคุณปฏิเสธอายตนา12ว่าเป็นสิ่งทั้งปวงเลยนะคุณจะบัญญัติอะไรว่าสิ่งทั้งปวงน ะ, ะ, ะนนใครก็ตามที่ที่พูดคํานั้นออกมานะบอกว่าความจริงสัตว์ทั้งหลายย่อมมีความคับแค้นใจในสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยคืออะไรก็ตามที่เขาไม่รูไ้ไม่ไม่ไม่มีความสามารถในสิ่งนั้นนะ อันเนี้ยจะก่อให้เกิดความคับแค้นมากเช่นไปขอสตังกับคนไม่มีสตังเนี้ยนี่ก็คนไม่มีสตังเขาก็คับแค้นใช่ไหมปกติไยเลือไปถามในสิ่งที่คนนั้นเขาไม่รู้เนี่ยถามว่าจะเดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนแน่นงะก็ก็คือว่าไปถามปัญหาวินัยกับพวกนักอภิธรรมไปถามอภิธรรมกับนักพระวินัยเนี่ยโอ้เรื่องนี้ะนะแสดงว่าไม่รู้เลยนะบอกไปถามในสิ่งที่เป็นปฏิฆาณิมิตของเขาอ่ะ นั้นคำว่าไม่มีนะเขามีวิจัยเหมือนกันราบอกไว้ถ้าคุยกับใครพยายามอย่าให้เขาพูดคํานี้ขึ้นมาคําว่าไม่เนี่ยนะเป็นคําที่โดยทั่วไปก็เขาเขามีวิจัยว่าถ้าพูดคําว่าไม่นะประสาททุกตัวมันตื่นหมดเลยนะแล้วมันมันต่อต้านหมดเลยระวังกันนะแสดงว่าโทสะเป็นสมุธฐานนะคำว่าไม่นะโดยมากนี่มีโทสะเป็นสมุธฐานไม่เอาไม่ฟังไม่รับรู้นะคําว่าไม่นี่มีโทสะเป็นสมุธฐานสัส่วนใหญ่นั่นนะ อันนี้ถ้าพูดถึงแบบทั่วๆไปนะแต่ก็มีบอกรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงบอกไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเพื่อที่จะให้ต่อต้านเหมือนกันนะต่อต้านการยึดถือเนี่ยนี่เป็นวัตถุประสงค์อันนีที น, <S <S <ๆ> น, นี้เข า, าอุปมาสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยเหมือนอะไรเหมือนการเทินศิลาประมาณเท่าเรือนยอดข้ามน้ําลึกเป็นเรื่องไม่ใช่วิสัยก็แปล ว, ว่าแบกก้อนหินเท่าสาราวัดเนี่ยนะลงไปในน้ําเทินหัวด้วยนะแล้วเอาผาก เพาะข้าม้ากอะ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่วิสัยหรือว่าการฉุดพระจันทร์ธาตุทิศลงมาอันนี้ก็ไม่ใช่วิสัยนะเอาดวงจันทร์มาชมต้นหน่อยดูใกล้ๆก็ไม่ใช่วิสัยเมื่อพยายามในสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยนั้นย่อมลำบากแท้อธิบายว่าต้องลำบากในสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยแม้นี้ด้วยประการชนีเห็นไหมทั้งนะก็ต้องมีหลายสูตรนะที่บอกว่าถ้า ไปไปสอบถามเขาลึกๆมากเขาจะเครียดเขาจะโกรธใช่ไหมเพราะอะไรเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่วิสัยของเขาอย่างเช่นเดียร์ีเขาบัญญัติอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานะบอกพระสมณะโคดมบัญญัติเรื่องกามข้าพเจ้าก็บัญญัติเรื่องกามสมณะโคดมบัญญัติเรื่องรูปข้าพเจ้าก็บัญญัติเรื่องรูปพระสมณะโคดมบัญญัติเรื่องเวทนาข้าพเจ้าก็บัญญัติเรื่องเวทนาเพราะฉะนั้นไอ้คำสอนระหว่างคําสอนโออะไรนอนุสาสนีโอวาสมันจะต่างกันตรงไหนอย่างงี้ยเนี่ถ้า ใครไปถามต่อไปว่าแล้วอะไรเป็นอาสาธาอาทีนวะนิสรณะของรูปล่ะอะไรเป็นอาสาธาอาทีนวะนิสรณะของกลามล่ะอะไรเป็นอาสาธาอาทีนวะนิสรณะของเวทนาล่ะอันถ้าไปถามลึกขนาดนี้ไม่ใช่วิสัยเนี่ยก็จะอะไรจะเกิดขึ้นก็สมัยพุทธกาลนี่เขามีเยอะนะพวกปริภาพวกพวกที่เขามีความรู้นะเช่นสพยาปริพาชคเนี่ย เขาก็าได้ปัญหาพรมเขาเขาแนะปัญหาให้ยี่ประมาณไม่ต่ำกว่ายี่สิบข้อเห็นไหมเขาไปเที่ยวถามสัมมณาณพราหมณ์เถอะว่างั้นไปถามทุกแห่งเนี่ยนะได้มาคือไปถามท่านไหนท่านนั้นกโกรธมาหมดเลยเ น, นจนเบื่อแล้วนะจะไม่อยากถามปัญหาเขาสัมมาณโคโดมเนี่ยเหลือองค์เดียวที่ยังไม่ได้ถามจะถามหรือเปล่านะท่านก็ยังหนุ่มนี่บวทใหม่ อแกแกทั้งหลายแหละเนี่ยถามแล้วตอบไม่ได้สักคนมีแต่กโกรธขึ้นมาหมดเลยนะสมณะโคโดมนุมๆเนี่จะตอบได้หรืออย่างไงท่านก็เลยมาแต่ก็เอ๊ะไหนๆก็ก็ถามให้หมดซะ ก, ก่อนนะครับว่าไอาพ้พีก็เลยมาถามถามพระ อ, องค์ก็ตอบได้หมดเลยก็ดีใจมากเหมือนกันเพราะในการพูดถึงสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่อึดอัดเป็นอย่างยิ่งเลยนะไม่ก็ให้ อาจารย์มินิดอธิบายคัมภีอัปวินยัยปิดกปริวาเเงี้ยเล่มสุดท้ายเนี่ยขึ้นมานี่ก็เริ่มแล้วนั น, นึกถึงก็ไม่ไหวแล้วงนั้นเขาบอกว่าสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยนี่นํามาซึ่งความเดือดร้อนสูตรต่อไปเนี่ยตอนที่ข้ามไปเนี่ยคื อ, ค, อ, ค, อคือสุดไปแล้วว่าสูตรนี้หมายถึงอัยจตนาสัพพะถูกไหมอาจิรท์านอ่แล้วก็ไ อ, อสัพพะตัวนี้เนี่ยมันปรากฏในคัมภีเยอะเลยนะ พูดถึงว่าสิ่งทั้งพวงนี่คงจะต้องมาดูว่าเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นสัพพะไหนเนี่ยคือถ้าเป็นสรรัพพะอย่างเดียว<น>คำเดียวสิ่งทั้งพวงสิ่งทั้งพวงนะแต่ทั่วๆไปเนี่ยเขาจะไม่ยกขึ้นเลยลอยนะจะมีคําข้างหน้าหรือข้างหลังนําเรื่องมาก่อนพอให้สังเกตอยู่แล้วนะถ้าถ้าทรงจําตรงนี้ได้นะว่าขอบเขตของสัพพะเหล่านี้แต่ละอย่างเป็นยังไงถ้าทรงจําตรงนี้ได้ถ้าไปอ่านที่ไหนที่ไปใช้คําว่าสิ่งทั้งปวงอ่ะนะ ก็ก็จะครูขอบเขตเนี่ยนะเพราะอย่างเช่นไอ้คำว่าทั้งปวงทั่ว ท, วทวไปนี่ก็รู้่นะบอกว่าชาวบ้านทั้งหมดต้องมาประชุมกันนะถ้าถ้าผู้ใหญ่บ้านก็เรียกประชุมอย่างนี้นะพอรู้ไหมว่าขนเอาลูกเล็กเด็กแดงไปหมดเลยเอาเฉพาะหัวนหน้าบ้านไปคนเดียวก็พอเนี่ยนะไปทุกๆบ้านนะแปลว่าอย่างน้อยหนึ่งคนจากทุกๆบ้านนะ่ะก็รู้ว่าขอบเขตอันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกนะ คือคือทำให้พอรู้ได้นะพ ย, ยัญชนะในพระไตรปิฎกก็เหมือนกันเช่นเช่นสิ่งทั้งปวงที่ควรละก็คงจะไได้หมายถึงตัวนิพพานด้วยเธอครับอกว่าสิ่งทั้งปวงควรละเนี่ยนะหมายถึงว่าวัตถุใดที่เป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะเธอจงละฉันทราคะในวัตถุนั้นซะไม่ได้ไปละโดยไปฆ่าตัวตายไม่ใช่อยู่แล้วเนี่ยนะไม่ได้ไปแปล ว, ว่าเธอมีชีวิตเธอก็ทิ้งชีวิตของเธอซะ แปลว่าไทยๆว่าไปเกิดใหม่ซะบ้าอย่าง น, นี้ไม่ใช่แน่นอนเพราะฉะนั้นก็บอกว่าสิ่งทั้งปวงควรละหมายถึงว่าวัตถุใดเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเธอจงละกิเลสในวัตถุนั้นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าโอ้เธอจงละฉันทราคะในดอกไม้ก็เลยตัดดอกไม้ทิ้งไปหมดเลยไม่ใช่อนะันนั้นสูตรต่อไปนี่จะชาติว่าดูก่อนที่สู่ทั้งหลายเราจะแสดงธรรมะเพื่อละสิ่งทั้งปวงนั้นะแกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟัง ในข้อนั้นดูก่อนพิสูุทั้งหลายก็ธรรมะสำหรับละสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นไนดูก่อนพิสูจทั้งหลายจับสุรูปจักสุวิญญาณจักสุสัมผัสเป็นสิ่งที่ควรละนะแปลว่าจักสุควรละรูปควรละจักขูวิญญาณควรละนะจักขูสัมผัสก็ควรละแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะจักขูสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรละนะอันนี้แปลว่าถ้าละตาเน่ละยังไงหลับตาซะก็ไม่ใช่ใช่ใชไหม ละสีละสีละสมมติละสีผู้การเนี่ยไปละสีผู้การไนะยังไงละจิตเห็นเนี่ยละยังไงละภาษาละเวทนาเนี่ยนะนั้นคําว่าละในที่นี้แปลว่าตัดฉันทราคาในสิ่งเหล่านี้เสถ่เ์เนี่ยนะหรือทวารอื่นก็เหมือนกันนะฮูควรละเสียงควรละโสตวิญญาณควรละโสตสัมผัสควรละแมสุขเวทนาทุกเวทนาทุก ข, ขมสุขเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรละเนี่ยนะ จะโมกกลิ่นเลนรสกายโพธาภาใจธรรมารมณ์ก็เหมือนกันนี่ย น, น, นะใจนะใจอันนี้ท่านอถฏฐาอธรริบายว่ามโนได้แก่ผวัง น, นะละผวังซะละธรรมารมณ์คืออารมณ์ของชาวนะจิตทุกชนิดนันะมโนวิญญาณได้แก่ชาวนะ ท, ที่ที่เกิดเพราะอาวชนะนเป็นปจัจจัยนะคือหมายถึงชาวนาทุกชนิดละให้หมดเลยแล้วก็มโนสัมผัสก็ละซะ แล้วก็แม้กระทั่งเวทายตังหมายถึงเวทนาที่เกิดกับชาวนานะเวทนาที่เกิดกับจิตทุกดวงละให้หมดเล ย, ยสรุปว่าทวังก็ให้ละอารมณ์ของจิตทั้งหมดให้ละชาวนาจิตก็ให้ละภาษาเวทนาที่เกิดในความรู้สึกนึกคิดละให้หมดเลยย่าไง น, นนะ น, นี่ละยังไงไม่รู้จะไปละยังไงนะถ้าคนที่ฟังไม่ดีนี่ก็เหมือน เ, อเหมือนกับ แล้วว่าให้ไปนั่งบนกระดงแล้วยกตัวเองขึ้นนะซึ่งมันถ้าไม่ศึกษาคำสอนให้ละเอียดนี่เป็นไปไม่ได้ที่จะละใช่ไหมเพราะคำว่าละในที่นี้หมายถึงตัดฉันทราคาในวัตถุทั้งหลายเหล่านี้เถิดเนี่ยนะอันนี้ก็ถ้าอย่างนี้หัวข้อตก็ต้องต่างไพี่พระพุทธเจ้าแสดงไม่ดีไหมไม่ใช่ไม่ใช่หัวข้อที่ว่ า, วาด้วยการแสดงท เป็ธรรมะเพื่อละสิ่งทั้งปวงนะครับถ้าอย่างนี้หัวข้อนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวพูดถึงธรรมะเลยว่าจะละสิ่งทั้งปวงยังไงธรรมะอะไรครับที่มันละตาหูจมูกกายาคือคํา ว, ว่ า, าธรรมตัวเนี้ยแปลว่าเทศนธรรมธรรมะตัวนี้เนี่ยเทศนธรรมอ่ะเป็นคําสอนที่เพื่อให้ละสิ่งทั้งปวงเห็นไหมเป็นเป็นโวหารนะคือหมายถึงเป็นเทศนานะเป็นคําสอน ไม่ไม่คือเขายกประโยคในในข้อยี่ห้านะบรรทัดแรกนั่นแหละก็คือยกไปขึ้นไปตั้งเป็นหัวข้อคาว่าแสดงทำทำตัวนี้คือธรรมเทศนาเนี่ย น, นะหมายถึงปริยัติธรรมอ่ะนะคือแสดงปริยัติเพื่อให้ละฉันทราคะในสิ่งทั้งปวงอ่ะนะ ถ, ถ้าจะอธิบายแบบพยัญชนะให้หมดตลอดสูตรเลย ว่านั่งในกระดงแล้วยกตัวเองขึ้นนี่หมายความไม่อย่งไทำได้ัหยล่ะก็แปลกีเพิ่งเคยได้ยินคือพูดถึงว่าในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะอันนี้คำว่าละเหมือนกันถ้าฟังไม่ดีเนี่ยนะก็หมายก็ว่าอ้าวละเนี่ยตาควรละสีควรละจักรวิญญาณควรละภาษาเวทนาควรละมันไปละได้ยังไงมันอยู่ในตาไปโดหรือเปล่าที่นั่งกระดงแล้วยกตัวเองขึ้นีา ก, ก็ยกโอปมามาให้ฟัง แ, แสดงติดตามเรื่องไม่ได้เลยไหมแสดงว่าข้อนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พูดตรงๆอ๋อข้างบนไม่ใช่แต่ว่าเข้าอานี้ถ้าจะพูดตรงๆ ต, ต้องบอกว่าว่าด้วยทรงแสดงธรรมเพื่อให้ละแสดงธรรมที่ควรละแสดงธรรมทั้งปวงที่ควรละแสดงสิ่งทั้งปวงที่ควรละ คือจริงๆก็มีคนวิจารณ์ว่าหัวข้อไม่รู้จะตั้งขึ้นมาทําอะไรเนี่ยไงเพราะว่าทําอะไรบ้างที่ควรละก็มาบอกไว้เลยนะจะสู่รูปจักสู่จับสู่สัมผัสจักสู่เวทนาคือคือสู่ต่อต่อไปจักจับจับไล่ไปเรื่อยๆพอจากนั้นก็จับไล่ไปเรื่อยแล้วก็ให้ก็าผู้การได้แล้วลยองเล็บเอาเป็นดินซ้อัน ทำได้เท่านั้นเลยเขียนเป็นดินสอคือ <c oughs> จริงๆแล้วนะก็ต้องให้เข้าใจว่าคำว่ามสงส า, า, นานแล้วก็ขีดไว้นานแล้วด้วยครับไม่ใช่มาม า, มามาดูตรงนี้นะเยวไว้นานแล้วเพราะว่าแสดงธรรมตัวนั้นเนี่ยหมายถึงว่าพระ อ, องค์เนี่ยจะแสดงปริยัติธรรมก็คือเป็นเป็ น, ปนโวหาราเป็นคำสอนเพื่อเพื่อให้ละสิ่งทั้งปวงหมายคึงว่า แสดงวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการละแต่ทีนี้จะกล่าวว่าละเนี่ยนะหมายหมายว่าให้ละฉันทราคะในวัตถุนั้นนั้นทนก็แต่ทีนี้สำคัญที่สุดก็คืออย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยฟังให้ดีนะว่าจักษุควรละใช่สีก็ควรละ จักขูวิญญาณโคนละภาษาเวทนาเนี่โคนละละยังไงเห็นไหมท่านพ่นอพ่อเท่าก็บอกว่าอันนี้เป็นคําสอนระดับปฐนาปริญญาอยู่แล้วบอกว่าตัดฉันทราค้าในสิ่งเหล่านั้นเถิดเห็นไหมซึ่งถ้าผู้ที่ทําปริญญาในตาสีจักขูวิญญาณภาษาเป็นต้นนี้ก็มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนเ้ยเพื่อตัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้ท่านทักบอกว่าให้ละสิ่งเหล่านี้ก็ เข้าใจได้ทันทีเนี่ยนะส่วนสําหรับหัวข้อธรรมะนี่ก็แล้วแต่ใครมีศรัทธานะตั้งไงก็ตั้งไว้เพราะว่าเราเห็นว่าหัา ว, วข้อนี้มัดตรงกัน ม, มาตรงกระสุนนีเป๊ะเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนนเนี่ยนะหัวข้อนี้นะะว่าด้วยทรงสแสดงธรรมะเพื่อรักสิ่ทั้งปวงนะพอมาในข้ระหารกระสุนนี่นะก็ก็เป็นข้อความเดียวกันเลยซึ่งมันไม่มองจะเป็น้ อันนี้ก็พนักงานทีมดีดเขาขยันก็มีผมจะแสดง ว, ว่าผู้แปลสรุปอเอามาใส่ไหมอ่ะไม่ในดีไม่ ด, ไมดีไม่ใช่ผู้แปลด้วยซ้ํำไปออไม่ใช่หนังสือพวกนี้มันเป็นหนังสือที่ของฉบับเนี่ยนะเป็นรุ่นท่ายทอดโบราณโบราณมานมนานเต็มทีแล้วมันก็มาจัดพิมพ์ใครจับพิมพ์คนนั้นก็อยากจะเพิ่มอะไรก็เพิ่มไปอะไรไปนะั่นเอง อยากจะตัดออกไปอะไรไปก็ ก, ก็ทําได้หมดอะเหมือนกับเราเนี่ยเอามาคัดปี้เสร็จแล้วเราก็มาเติมหัวข้ออะไรของเราก็ว่าไปตามเรื่องตำราของเราไปจริงแล้วพุทธพจน์ไม่มีแล้วก็ฉบับภาษาบาลีจะไม่มีในบางนิกายเนี่ยนะชื่อสูตรยังไม่มีเลยถ้าเป็นฉบับของภาษาไทยนะจะชื่อสูตรยังไม่มีเลยก็มาตั้งเอาเนี่ยนะ ส่วนสูตรที่สองเนี่ยนะดีว่าดูก่อนพี่สูตรทั้งหลายเราจะแสดงธรรมะเพื่อรู้ยิ่งอภิญญานะเพื่อกําหนดรู้คือปริญญารู้แล้วอะละสิ่งทั้งปวงอันนี้ก็คือปะหานะนะขวามือสังเกตดูนะบาลีตัวดําๆว่าอภิญญาปริญญาปะหานะเนี่ยนะสามคำทั้นก็คือแสดงธรรมเพื่อรู้ยิ่งอันนี้ก็คืออภิญญาปริญญาก็คือการรอบรู้นะ ถ้่ใช้คำว่ากำหนดรู้ของมาไม่ศรัทธาเลยศรัทธาคำว่ารอบรู้มากกว่าก็คือทาปริญญาแล้วก็ปหานะก็คือละนั่นเองดูกอที่สูุทั้งหลายธรรมะสำหรับรู้ยิง่งคืออภินยาปริญญาและปหาน ะ, ะนะคือต้องทั้งอภินย า, า, ญญาหมายถึงยาตะปริญญาเนาะ ป, ป, ป, ปริญญาหมายถึงตีระณะปริญญา ปะ h ah a n หมายถึงปหา a ะปริญญาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นว่าธรรมะสาหรับรู้ยิ่งกําหนดรู้แล้วละสิ่งทั้งปวงนั้นอนะเป็นไงจกักโสรูปจักสุวิญญาณผัสสะเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้แล้วละแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุคมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากสู่สัมผัสเ ป, ป็นปัจจัยก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งควรกําหนดรู้แล้วละเนี่ยควรละเหมือนกัน ทวารอื่นก็เหมือนกันนั่ น, นสังเกตว่าสองสูตรนี้เป็นสูตรประเภทนิเพทาภาคยะอย่างเดียวเป็นสูตรชนิดชำรกกิเลสอย่างเดียว น, น, น่ถ้าสังเกตจากพุทธพจน์หลายๆแห่งเนี่ยบางทีเนี่ยหมายถึงพระสูตรที่ไปแสดงเฉพาะกับผู้ที่กำลังเจริญวิปัสสนาอยู่ด้วยซ้ำไปพอพอเจริญวิปัสสนาไปเรื่อยๆนะพระองค์ก็จะมาแสดงบางสูตรเนี่ย ต่อหน้าแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยก็วันหลังก็มาเล่าให้พระอนนลฟังอยเงี้ย ก, ก็เป็นที่มาของการตั้งเป็นสูตรนั้นนั้นันคําสูตรประเภทเนี่ยปหานะปริญญาหมายถึงแบบพูดนระดับอนุปัสนาไปเลยเนี่ยแสดงว่าผู้ฟังนี่เป็นเป็นพระที่ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ไม่ใช่พื้นฐานเบสิกทั่วทวไปเลยเนะหมายถึงผู้ที่เป็นนักวิปัสนาชั้นสูงอยู่แล้วคงพอเข้าใจนะว่า ตาสีจักรคูวิญญาณภาษะเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกาหนดรู้แล้วละซะนะแม้เวทนาที่เกิดจากผัสจากจักรคูสัมผัสเหล่านี้ก็เหมือนกันก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วละซะนะหมายถึงตัดชั้นราคะในสิ่งเหล่านั้นเถิดนะไม่ได้แปลว่าไปทำตาให้บอดเถิดไปทำหูให้หนวกไปทำจมูกให้เสียไปทำตัดลิ้นม่จะไปกายนี้ไปทำยังไงละคร น, นี้ ไปฝานออกไหมไม่ใช่ใจแล้วก็เอาทำไงอีกไม่ใช่นั้นหมายถึงรอบรู้ในสิ่งนั้นด้วยยาตะปริญญาใคร้ครวญในความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นด้วยเตระนาปริญญาตามเห็นโดยความไม่เที่ยงเพื่อละนิจจะสัญญาเป็นต้นโดยลำดับนั่นเองอีกสูตรหนึ่งกำกับเลยเนยสูตรเนี่ยปฐมปริชาณสูตรบอกว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายผู้ที่ยังไม่รู้ยิ่งเนี่ยนะไม่อาภิชานังเนี่ยนะ เรียกว่าอานาพิชานังเนี่ยแปลว่าไม่รู้ยิ่งคือไม่ทำยาตะปริญญายังไม่กำหนดรู้คืออาปริชานังเนี่ยยังไม่คลายกำหนัดก็คืออวิราชยังแล้วก็ยังละไม่ได้ซึ่งสิ่งนั่งปวงก็คืออัปตะชหังเนี่ยนะก็สรุปเป็นภาษาเราคุ้นเคยก็คือผู้ที่ไม่ทำยาตะปริญญาตีรณปริญญาปหานะปริญญายังไม่เป็นควรเออยังไม่เป็นผู้ควรสิ้นทุก แล้วว่าไม่คู่ควรกับการพ้นทุกข์อะไรหรอกถ้ามาทำปริญญาเหล่านี้ดูกานพิสูุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงอ่ะคืออะไรบุคคลยังไม่รู้ยิ่งยังไม่กาหนดรู้ยังไม่คลายกำนัดยังไม่ละยังไม่เป็นผู้ควรสิ้นทุกข์อ่ะดูกานพิสูนทั้งหลายจักสุบุคคลยังไม่รู้ยิ่งยังไม่กาหนดรู้ยังไม่คลายกหนัดยังละไม่ได้ยังเป็นผู้ไม่ควรสิ้นทุกข์นะน นนะถ้าใครจําปิยรูปสาตรูปมาได้นี่ก็สบายมา ก, ก น, นะก็คือเอาสี่สับเนี่ยมาคูณกับปิยรูปสาตรูปเท่านั้นเองทีนี้ยกจักสุขขึ้นมาเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนะส่วนที่เหลือก็ละไว้ในฐานะปี ย, ยานคือจักสุจักสุวิญญาณจับขู่สัมผัสสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือทุก ข, ขมสุขเวทนานะให้รู้เถอะว่าพวกนี้มีปี ย, ยานศั์วางหมดนละถ้าเป็นพุทธพจน์สมัยพุทธเจ้า ต, นะตรัสนะพระองค์ตรัสเต็มหมดนะนะของเราก็ ย่อๆเอาเราชอบแบบค่อนข้างสรุปๆอยู่แล้วใช่ไเพรั้นพวกนี้ทั้งหมดนะที่เกิดถ้าผู้ที่ยังไม่รู้ยังไม่กำหนดรู้ยังไม่คลายกำหนัดยังไม่ละก็ยังเป็นผู้ไม่ควรสิ้นทุกเนี่ยนะหูเสียงจมูกก็ว่าหูเสียงจมูกหายไปไหนนี่น่าอ่านแล้วงงเลยหายจมูกไป นันจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโพธะพระใจกับธรรมรมเนี่ยนะตกไปเหมือนกันนะจริงๆนะทุกอันน่ยถ้าพิมพ์ไม่ถูกต้องจุดทั้งหมดเลยนะพิมพ์หูแล้วก็ต้องจุดพิมพ์เสียงแล้วก็ต้องจุดต้องจุดทั้งหมดเลยเพราะว่ามันเป็นข้อความที่ละอนะก็ตายไปดอก่วนหนึ่งที่อ่านยากคือลักษณะนี้เพราะว่าละเอาไว้ก็ไม่ได้พิมพ์รหัสให้รู้ว่าละเอาไว้เนี่ยนะก็เลยพิมพเป็นพรวดไปหมดเลยนนแหะ ใจธรรมรมโนวิญญาณมโนสัมผัสแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยบุคคลยังไม่รู้ยิ่งยังไม่กําหนดรู้ยังไม่คลายกําหนัดยังละไม่ได้ก็ยังเป็นผู้ไม่ควรสิ้นทุกข์ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุคคลผู้ที่ยังไม่รู้ยิ่งยังไม่กําหนดรู้ยังไม่คลายกําหนดัดยังไม่ละซึ่งสิ่งทั้งปวงนี้ ยอ่อยังเป็นผู้ไม่ควรสิ้นทุกข์นะนะก็ไม่ควรพ้นทุกข์จริงๆอ่ะนะหมายความไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ทํายาตะปริญญาในาทุกขสัตย์ไม่ได้ทําปะหานะปริญญาในาสมุทัยศัตร์เลยะนะไม่ได้ทํานิโรธศัตร์ให้แจ้งไม่ไม่ควรพ้นทุกข์อ่ะนะก็แปลว่าควรอยู่ในทุกข์ต่อไปอะนะอันนี้พูดถึงว่า คือเป็นเป็นสูตรที่ลักษณะกระตุ้นนะนะถ้าเธอไม่ทำอย่างงี้เธอไม่ควรพ้นทุกข์หรอกางเเหมือนกับบอกถ้าเธอไม่ดูหนังสือเธอสอบไม่ได้อยู่แล้วอย่างง้นะก็คือเป็นคำพูดลักษณะนั้นนั่นเองดูความพิสูสน์ทั้งหลายส่วนบุคคลผู้ที่รู้ยิ่งกำหนดรู้คลายกำหนัดละได้ซึ่งสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ควรสิ้นทุกข์นะ น, นะบอกว่ารู้ยิ่งเนี่ยน ะ, ะมาจากคาว่า อภิชานังเนี่ยนะรู้ยิ่งก็รู้ด้วยยาตะปริญญาส่วนกําหนดรู้ก็มาจากว่าปริชานังเนี่ยนะก็คือน่าจะแปลว่ารู้รอบอะนะหมายถึงตีรณะปริญญาส่วนสองคำหลังคือวิราชยังแปลว่าคลายกําหนัดปะชะหังเนี่ยนะแปลว่าละได้อันนี้หมายถึงปหานะปริญญาผู้ที่รู้ยิ่งกําหนดรู้คลายกําหนัดละได้ซึ่งสิ่งทั้งปวงอันนี้เป็นผู้ควรสิ้นทุกข์ ดูความที่สูงทั้งหลายก็สิ่งทั้งปวงเนี่ยคืออะไรที่บุคคลรู้ยิ่งกําหนดรู้คลายกําหนัดได้ละได้เป็นผู้ควรสิ้นทุกข์ดูก่อนที่สูงทั้งหลาย <_ for living> คือจักรสุบุคคลควรรู้ยิ่งกําหนดรู้คลายกําหนัดได้ละได้เป็นผู้ควรสิ้นทุกข์รูปจักรสุวิญ ญ, ญาณจักรสัมผัสแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักรสัมผัสเ ป, เป็นปจัจจัยบุคคลรู้ยิ่ง กำหนรู้คลายกำหนัดได้ละได้ก็เป็นผู้ควรสิ้นทุกข์หูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรสกายโพธะพระใจธรรมลมเนนะมโนวิญญาณมโนสัมผัสแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปจัจจัยบุคคลควรรู้ยิ่งกําหนดรู้คลายกำหนัดได้ละได้ก็เป็นผู้ควรสิ้นทุกข์ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลผู้รู้ยิ่งกำหนดรู้คลายกำหนัดได้ ละได้ซึ่งสิ่งทั้งปวงนี่แลเป็นผู้ควรสิ้นทุกข์นี่นะะก็ถ้าใครทำปริญญาในเนี่ยปิยรูปสาตรูปก็เป็นคนที่ควรสิ้นทุกข์นะถ้าไม่ทำก็ไม่ควรสิ้นทุกข์นะเราก็มาถามดูว่าเราทำอะไรบ้างแล้วนะยาตะปริญญาในตาอานะจักสุรูปจักขูวิญญาณภาษาเวทนาหูเสียงโสตะวิญญาณภาษาเวทนาจมูกกลิ่น าณะวิญญาณคณะสัมผัสแล้วก็สุขเวทนาเนี่ยนะลิ้นรสชิวหาวิญญาณภาษาเวทนากายโพตะภะกายวิญญาณภาษาเวทนามโนธ ร, รมะมโนวิญญาณและภาษาเวทนาเนี่ยนะเหล่านี้เราได้ทำปริญญาอะไรและบ้างถ้าไม่ได้ทำเลยก็แปลว่าควรอยู่กับทุกข์นะคือ ถ, ถ้าพองไม่ได้พูดถ้าพูดบอกควรอยู่กับทุกข์เหมือนกับแช่งอะนะ ทงก็ตรัสแบบเมตตาหรือกรุณาบอกว่าไม่ควรสิ้นทุกข์นะแต่ถ้าทำก็ควรสิ้นทุกข์เนี่ยนะเพราะทุกข์จริงๆมันก็มีอยู่เท่านี้นก็ไม่มีทุกข์อะไรมากกว่า น, นี้อีกแล้วนะชีวิตมีทุกข์ตาสีจักรคูวิญญาณภาษาเวทนาก็มีเท่านี้นะทวารตาทวารหูก็ไล่ไปก็ลักษณะเดียวกันนั้นก็ให้ทําปริญญาณนะสรุปแล้วสิ่งทั้งพวงทั้งหลายส่วนหลังก็เป็นสักกายาสาภาวะเน้นสักกายาสาภาวอย่างเดียว เพราะว่าตัวที่ที่ที่ให้ละนะตัวที่ให้ทํายาตาปริญญาตีระปริญญาะปะหานา ป, ah ปริญญานี้เน้นที่อุปาทานขันอยู่แล้วนะเพราะว่านิโรอ่ะโลกุตระธรรมไม่ใช่วิสัยของผู้ที่เจริญวิปัสนาเนี่ยนะนะแม้กระทั่งฌานเนี่ยนะแม้กระทั่งผู้ที่ยังไม่ได้ รูปประชานสมมติว่าได้เฉพาะรูปประชานเนี่ยไปทําปริญญาในรูปประชานมันก็ไม่ใช่ฐานะอยู่แล้วนั้นก็พิจารณาในวิสัยที่ที่ตัวเองพิจารณาได้นั่นส่วนพระพุทธเจ้าผู้แสดงก็แสดงคือผู้ที่ฟังในในสมัยพุทธกาลเนี่ยหลากหลายมากนั่ น, น, นเพราะว่ามีมีทุกระดับนะพระองค์ก็ใช้พยัญชนะที่คลุมได้ในกับทุกระดับนั่นเอง แต่ถ้ามีหลายๆสูตรนี่บอกเลยว่าพระองค์แสดงคำเนี่ยแสดงเอาวิสัยของพระองค์เลยเช่นว่าในบริษัทนี่มีผู้จะบรรลุโสดาบันอยู่พระพุทธเจ้าแสดงจบที่อรหันต์แล้วก็อัตกถาก็อุปมาว่าเหมือนอย่างว่าพระราชโอรสอ่ะนะนั่งอยู่บนตักของพระราชาแล้วก็พระราชากําลังสวยพระกาหารก็เลยขอพระราชาพระราชาก็แบ่งมาให้ก้อนหนึ่งก้อนนั้นก็เอาก้อนเท่ากับพระราชากินนั่นแหละ ส่วนพระราชโชรก็ต้องไปกัดกินเอาตามสมควรแก่ตัวเองกันนะท่านก็จะให้ก็ให้ตามวิสัยที่ตัวตัวเองใช้อยู่อ่ะก็ให้ทั้งหมดเลยส่วนทุติยะปริชาณสูตรกล่าวว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายผู้ที่ยังไม่รู้ยิ่งยังไม่กําหนดรู้ยังไม่คลายกําหนัดยังละไม่ได้ซึ่งสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ไม่ควรสิ้นทุกข์ดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายสิ่งทั้งปวงอ่ะคืออะไร บุคคลยังไม่รู้ยิ่งยังไม่กำหนดรู้ยังไม่คลายกำหนัดยังละไม่ได้เป็นผู้ไม่ควรสิ้นทุกข์ดูความพิสูจนทั้งหลายคือจักสุกับรูปจักสุกวิญญาณและธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยจักขูวิญญาณอันนั้ตรงนี้ตรงนี้ยอ่อภาษาเวทนาสัญญาเจตนาไว้สับเดียวคือธรรมที่พึงรู้แจ้งด้วยจักขูวิญญาณธรรมที่พึงรู้แจ้งด้วยจักขูวิญญาณอันนี้หมายถึงนามขันสามที่เหลือเนี่ย ใช้จกักษุรูปจักษุวิญญาณทำที่รู้แจ้งด้วยจักษุวิญญาณนี่หมายถึงว่าทำที่อาศัยจักรคูวิญญาณจึงจะรู้ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีจักรคูวิญญาณภาษาเวทนาจะเกิดได้ไหมก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อมไว้ที่คําว่าทำที่ควรทำที่เพึงรู้แจ้งด้วยจักษุวิญญาณคือสัมปยุตรธรม ร, ต ร, ธรมที่เกิด ร, ร่วมกับจักรคูวิญญาณนั่นเอง ส่วนหูเสียงโสตวิญญาณและสัมปยุตตธรรมถ้าพูดแบบสำนวนคุ้นเราคุ้นเคยนะก็ใช้เนี่ยจมูกกลิ่นคานวิญญาณและสัมปยุตตธรรมเล้นรสชิวหาวิญญาณและสัมปยุตตธรรมกายโพธภะกายยะวิญญาณและสัมปยุตตธรรมมโนธรรมะมโนวิญญาณและสัมปยุตตธรรมนี่นนะเรียกว่าธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณก็หมายถึงสัมปยุตตธรรมทั้งหลาย ดูกากพิสูจทั้งหลายบุคคลยังไม่รู้ยิ่งยังไม่กำหนดรู้ยังคลายกำหนัดไม่ได้ยังละไม่ได้ซึ่งสิ่งทั้งปวงนี่แลเป็นผู้ไม่ควรสิ้นทุกข์นะนะโอ้ทำไมทำปริญญามันก็ไม่ควรพ้นทุกข์อยู่แล้วนะก็ควรอยู่กับทุกข์นั่นแหละ ดูความพิสูจทั้งหลายส่วนบุคคลผู้รู้ยิ่งำกงำหนดรู้คลายกำหนัดได้ละได้ซึ่งสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ควรสิ้นทุกข์ดูความพิสูจทั้งหลายสิ่งทั้งปวงนี้คืออะไรที่บุคคลรู้ยิ่งกําหนดรู้คลายกำหนัดได้ละได้เป็นผู้ควรสิ้นทุกข์ดูความพิสูจทั้งหลายจากโสุรูปจากสุกสวิญญาณและสัมปยุตธรรมนะโอเสียงโสตวิญญาณและสะัมปยุตธรรมจมูกก ล, ลิ่นคานะวิญญาณและสัมปยุตธรรมเล้นรถ เชียวหาวิญญาณและสัมปยุตธรรมกายโพธภาภะกายญติวิญญาณและสัมปยุตธรรมมนุธรรมะและมโนวิญญาณและสัมปยุตธรรมเรียกว่าธรรมที่พึงรู้แจ้งด้วยมโนุวิญญาณเนี่ยนะด้ยความพิสูจทั้งหลายบุคคลผู้รู้ยิ่งกําหนิดรู้คล้ายกําหนัดได้ละได้ซึ่งสิ่งทั้งปวงนี่แลเป็นผู้ควรสิ้นทุกเนี่ยนะอันนี้ก็ในข้อ30สนี้เป็นวิวัตตะาน ะ, ะเน้นประกาศนิโรศสัตว์กับมรรคสัตว์นั่นเอง ส่วนอย่างข้อ29ก็เป็นวตะเนี่ยนะคือทุกข์กับสมุทัยสัตว์ทั้งทั้งนี้ก็กล่าวอริยสัตว์แล้วนะไม่ทราบว่าเป็นยังไงพอมองเห็นเขาสัจจะบ้างั้ยมันอยู่สีซึ้งเลยตนะั้งทำตาเปรีบๆแต่ว่าอะไรไม่ทราไไบา <laughs> ไม่ใช่ไม่วาไปนะ <laughs> อย่าเอาคนเราไปเปรียบกับคนอื่นเลย อัาน ล, ล, ลึก เ, มเมาา呵呵ไม่ใช่ อ, าอ่านป๊บปู้รู้หมดแล้วพูดซ้ําๆอยู่นั่นแหละ่างงา น, นเขามีนะบางคนเนี่ยพออ่านปั๊บก็มีแต่ซ้ําๆๆๆกันอยู่นั่นเลยไม่อ่านเลยนะพราะมันซ้ําๆกันไปหมดเลยแต่ถ้าทําปริญญาจริงๆนะอย่างที่กล่าวมันก่อนว่าอันเนี้ยมีค่ายิ่งกว่าชีวิตเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นคําสอนที่สั้นแต่ว่า เป็นแนวทางแห่งการออกจากทุกข์กันนะถ้าเปรียบเหมือนอย่างว่าผู้ที่อยู่ในถ้ำที่มันมีหินเนี่ยปิดทับไว้นะพอมองเห็นช่องหน่อยแสงสว่างหน่อยก็รู้ว่าตรงนี้ทางออกนั่นก็แงะไปเถอะเดี๋ยวมันก็ออกได้แหละอันอวิชาก็เหมือนกันเนี่ยนะสัตว์โลกที่เกิดมาถูกอวิชานี่ห่อหมดเลยห่อหุ้มหมดห่อตาเนี่ยนะตั้งแต่ตาสีจักรคูวิญ ญ, ญาณภาษาเวทน า, าวิชาห่อไว้หมดเลยอันคําสอนเหล่านี้ก็เพื่อชําแรกอวิชาเพื่อตัด ชันทราคาในส่วนเหล่านี้ถ้าผู้ที่ประสงค์จะออกจากทุกเนี่ยก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นธรรมะที่ควรพิจารณาใคร้ควรวนทรงจำอ่านะเอาไปเจริญอย่างมากเลยเนี่ยนะเพราะว่ า, าทุกทั้งหลายที่ที่เกิดขึ้นของสัตว์ทั้งหลายก็มีสิ่งเหล่านี้แหละเป็นทุกข์่นะคือผู้ที่คือผู้ที่เรียนปริยัตมาดีๆนะเช่น ธรรมที่พึงจะรู้แจ้งโดยจักรสุวิ ญ, ญญาณเนี่มาถึงสามพุทธรรมได้แก่เจตสิกเจ็ ด, ดวงนั่นนะฮะพอมาถึงธรรมที่พึงรู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณเนี่ยก็เจตสิกก่อนแล้วแต่ว่าจิตนั้นมโนวิญญาณนั้นจะเป็นกุศลมหากุศลหรือจะเป็นรูปราวจรรูปราวจรึเปล่าสรุปแล้วเจตสิกทุกตัวเลยครับก็เท่ากับโพูดหมดแล้วแต่ทีนี้แต่ใช้ศัพท์เนี่ยนะก็คือตามสมควรแก่ฐานะอย่างสมมติถ้าเรายังไม่มีเจตสิกที่เป็นฌานอย่างเงี้ยก็เอาไว้ก่อน ก็เอาเจตสิกที่เรามีอยู่นะมันก็เป็นคำที่คลุมได้ในในผู้ฟังทุกระดับชั้นหมายความว่ามนุษย์ฟังหรือพรหมมาฟังก็สับเดียวกันเนียสูตรเดียวกันเนียไปพิจารณาตามสมควรแก่ฐานะน่นะ